ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีสระภากระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบ <c oughs> ัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งสัตธิฐานลงไปในใจของตนว่า เวลาปฏิบัติบูชานีเราจะต้องนั่งขับสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าให้ความว่วงเหงาเห้านอนเข้ามาทับทมเมื่อตั้งกายตรงแล้วใจให้ตรงต่อสมาธิภาวนา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 พระองค์ใหญ่อยู่เหนือกิเลสลาคะตัณหาไม่เอากิเลสตัณหากิเลสลาคะตัณหามาเก็บไว้ในใจพระองค์ละทิ้งปล่อยวางหเรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้เห็นของพระองค์นั่นสะอาเต็มที่กิเลสลาคะไม่มีในจิตกิเลสโทสะไม่มีในจิตกิเลสโมหัก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 ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจของเธอองค์หมดสิน้นก็แจ้งอยู่ในจิตในใจของเธอองค์ไม่ได้แจ้งไปปวดคนนั้นปวดคนนี้แจ้งใจคือว่าใจของเธอองค์นั้นเห็นแล้วว่ากิเลความโกรกกิเลสความโลภกิเลสความหลง กิเลสความมายึดชาติยึดตระกูลยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนยึดว่าเราเป็นหญิงเป็นชายหรือยึดว่าเราเป็นพระเป็นเนรเป็นแม่ขาวนางชีเป็นผู้นุ่งดำมายึดมาถืออยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสราคะอยู่ในใจกิเลสโทสะโมหะมันก็โยในใจโยในใจก็คืออยู่ในตัวนั้นแหละ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 ตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีเวลาหยุดลมหายใจนั่งโยก็หายใจเข้าออกชีวิตก็ยังมีอยู่ยืนโยก็มีลมหายใจเข้าออกเดินไปมาที่ไหนใกล้ไกลในนอกก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้การที่เราภาว น, นาบทใดข้อใดอัธถ ร, รมคำสอนพระพุทธเจ้าอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราจะเล่นอยู่เนืองๆเหมือนลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนไม่ประมาท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 แต่สิ่งมันแทรกซ้อนอยู่ในกายวาจาจิตของเรานั่นคิดไม่ถึงอย่างว่ารูปขันร่างกายของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดยัง้งฮันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกวันคืนเดือนอีกมากบ้างน้อยบ้างตามแต่มันจะมาถึงเขา้า อันนี้มันก็แทรกขึ้นมาทั้งๆที่คนเราไม่ต้องการไม่ปราถนาะความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความพัดคลากจากของรักของชอบใจไม่ต้องการไม่ปราถนาะแต่มันได้ขึ้นมาอนเองได้ขึ้นมาลอยๆอย่างนั่นเอง การภาวนานี้จึงเป็นบทบาทอันสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ได้ให้เป็นให้เกิดให้มีขึ้นไม่ต้องไปรอท่าว่าเมื่อถึงวันตายข้าพระเจ้าจะภาวนาพุทโธเอาให้ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน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 อายุสังขารของคนเหล่าทุกคนนั้นไม่ใช่มันเท่ากันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยบางคนเกิดมาไม่นานสิบปีตายก็มียี่สิบปีตายก็มีสามสิบปี4ี่สิบปีห้า ส, ส, สิบปีตายได้ทั้งนั้นแต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีเหลือไปถึงรอยปี มักจะตายก่อนลอยปีด้วยกันทางนั้นข้อนี้ให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนพุทธสาวกในขั้งพุทธกาลโน้นว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงนึกจงเจริญให้ได้ว่าความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกได้ ท่านให้นึกให้น้อมว่าให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปก็เตือนใจของตนให้นึกว่านี่ถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เกิดติดขัดคนเราก็ตายได้แม่ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไรติดขัดขึ้นมาสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายแล้ว ความตายนี่แหละท่านเตือนไว้ว่าอย่าได้ประมาทแม่เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองได้ตรัสลูเป็นพระพุทธเจ้าลู้แจงโลกลู้แจงธรรมละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเราตถาคตก็ไม่หลงไม่ลืมรู้สึกได้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าไป ว่าพระองค์ต้องแตกดับตายแน่แรู ป, ประขันนี้ไม่ยั่งยืนลมหายใจออกมาพระองค์กดเตือนใจของพระองค์ได้ไม่ประมาทว่าลมหายใจออกไปก็ถึงตายได้พระองค์ชื่อว่าไม่ประมาททั้งลมหายใจเข้าไม่ประมาททั้งลมหายใจออกท่านภาวนาได้อยู่เสมอ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 จิตใจก็จะเลื่อเคลืนลุ่มหลงไปตามอานาจกีเลสความโกรธทีเลสความโลภทีเลสความหลงเพราะไม่มีธรรมะเตือนใจของตัวเองคือมลนะกรรมฐานมลนะกรรมฐานนี้เป็นกมัมเป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทัวเมา ไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงต้นคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นไรง่ายๆเราสบายดีอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ความตายคงไม่กล้ำกายได้ง่ายๆอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนในใจของทุก จิตใจของสาวกวาสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อกิเลสราคะโทสะโมหะต้องรีบแลแอะแก้ไขละทิ้งตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ให้ไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างโน้น อ, อย่างนี้ทำใจให้สะอาดทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาด ได้แก่รักษาศีลศีลห้าศีลแปศีลสิบสองร้อยยี่คิบเจทำศีลรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เตือนใจของเราว่าตัดบ่วงห่วงอาไยสิ่งใดเราตัดเราเลิกเราละเราปล่อยได้แล้วก็ไม่กลับเอามาคิดนึกอีก และกิเลสอันใดที่จะมาคล้องแวะมึนขึ้นมาที่หลังเราก็เพียรพยายามตัดละออกไปให้หมดสิน้นดูวันคืนที่พระพุทธเล่าวของเราภาวนาก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม้โกนั่งสมาธิแล้วพระองค์ก็ ตั้งสัตติฐานลงไปในจิตใจการนั่งสมาธิภาวนาทั้งนี้การนั่งสมาธิจนให้ได้กลั่กเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะไม่ยอมลุกไปมาในที่ต่างๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไข้ร่างกายสังขาร น, นี่จะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามมันจะตายก็ยอมตาย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 ท่านก็รู้ลมอย่างกลางท่านก็รู้ลมละเอียดท่านก็รู้ท่านเอาอนาปาลมหายใจนี่เลยมัดจิตมัดใจของท่านจนอยู่ในที่อันเดียวนาะทัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบหลังอับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใด จนจิตใจอันนี้หนักแน่นมั่นคงเหมือนพื้นระสุธาหน้าแผ่นดินไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสกิเลสได้หมดตรัดกิเลสความโกรธได้เด็ดขาด ตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดตัดกิเลสความหลงในใจได้เด็ดขาดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปคล่อมทางวาสนาอาจินพระองค์ไม่มีความท้อถอยมีแต่ความหมั่นขยันขันแข็งสามารถอาจหาภายในจิตเจตใจของพระองค์กอบพ้นจากโลก ค้นจากลูกนามกายกายตัวตนสัตว์บุคคลไม่ลหลงไหลในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่หลงไหลในเทวดาอินทรมยมยักษ์เป็นจิตใจอันรู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของท่านเป็นจิตใจอันโลกวิทูลู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจง้งธรรม รู้หมดทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ในโลกมนุษย์เทวโลกพุมโลกนี้พระองค์รู้แจ้งจนถึงเมืองนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากชาติลาปยาติมลณะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นเป็นผู้มีสติเป็นมหาสติเป็นผู้มีสมาธิ เป็นมหาสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นมหาปัญญาเป็นผู้มียานเป็นมหายานละกิเลสราคะโทสะโมหะในนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราให้หมดสิ้นไปแล้วยังโปรดสอนมนุษย์และเทวดา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 มาเวลานั้นพระองค์เลิกได้ละได้ให้ชื่อว่าตัดเด็ดขาดตัดเด็ดขาดตัดจนมันแตกมันตายไปเลยกิเลดความโกรธไม่ลุกขึ้นมาได้ฆ่ากิเลสความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลภลาคะตันหาให้ตายด้านไปหมดไม่มีลูกเสียงกินลดโทธภพคนสัตว์วัตถุธาดุใด ที่จะมายั่วยุให้จิตใจของพระองค์กลับกรอบเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะพระพุทธเจ้ทาท่านฆ่ากิเลสละกิเลสเหล่านี้หมดสิ้นด้วยปัญญาญาณเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจกิเลสแม้จะมีมากน้อยเท่าไร กิเลสเป็นของละได้ผู้ใดตั้งความเพียรความหมันความกระยันภาวนาไม่ท้อท้อผู้นั้นก็เลิกได้ละได้กิเลสในหัวใจของตัวเองธรรมดากิเลสนั้นท่นานว่ามันเป็นความไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้จิตไม่หยุดจิตไม่อยเสียก่อนเป็นจิตเลื่อนเลื่อนลอยฟุ้งซ่าน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 พระสาวกเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดละกิเลสความโกรธได้สาวกทั้งหลายทัานก็เอามาปฏิบัติภาวนาเลิกได้ละได้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆกิเลสโลภกิเลสโมหะอวิชชาตัณหากิเลสพันหา้าตัณหาร้อยแปดมากน้อยประการได้ พระสาวกเจ้าทั้งหลายในขั้งพุทธกาลท่านก็เอามาเลิกมาละกดปล่อยออกไปได้หมดสิ้นไม่ได้หมายว่าเป็นพระภิกษุสามมณีอย่างพวกเรานี่อย่างเดียวแม่คารวะญาติโยมอุบาศกอุบาสิกาอุบาศกก็หมายถึงโยมผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงโยมผู้หญิง ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชนักบ้านทุกคนทุกดวงใจท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆคารวะญาติโยมก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอณาคาเป็นได้ถึงพระอระหันตาที่นาจบนั่นคือว่าท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆท่านไม่ปลอยตาละเลย ท่านรวมจิตรวมใจเข้าไปอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่มีความเกียนเพ่งอยู่ในจิตใจนั้นมีสมาธิมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายให้จิตใจของท่านวันไหวสั่นสะเทือนไปได้นานและพุทธสาวกในข้างพุทธการท่านคำจริงปฏิบัติจริงเอาจริงจริงด้วย เมื่อท่านทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านเราผู้เป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมภิกษุสงฆ์สามนเณรก็ย่าได้มีความทอดท้อยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราบุญน้อยว่าสนาน้อยละกีเลสไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้น อะไรก็ตามถ้าหากว่าคนเรามีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ท้อถอยในดวงใจแล้วย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ทุกท่วนหนาเพราะว่าศาสนาธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้านั่น เป็นธรรมะคาสั่งสอนเป็นนิยานิปธทํานำออกจากโลกนำออกจากกิเลสผู้ใดปฏิบัติภาวนาไม่ทอแทอ่อนแอในดวงใจตอนแรกๆจะไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตามถ้าทำไปปฏิบัติไปเจตใจอันนั้นมันก็เกิดความรู้เข้าใจปฏิบัติเป็นไปได้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 เพราะรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในได้ดวงจิตดวงใจของคนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาเป็นลูกเป็นล่างเป็นสีสันวันนะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีอะไรในจิตใจของเราเป็นสีสันวันนะคาว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ เราฟังเสียงได้ยินเสียงใครเป็นผู้รู้อยู่ในตัวในใจนานแล้วมันอยู่ตรงนี้ให้รวมให้สงบเข้ามาที่ตรงนี้ตรงจิตใจผู้รู้อยู่ตาเห็นโลกจิตตรงนี้เป็นผู้เห็นดีใจก็จิตตรงนี้หลงไปเสียใจก็จิตตรงนี้หลงไป เสียงทานเข้ามาทางโสทางหูก็จิตดวงเกานี่แหละกินรสพอทพะทำมาลมก็จิตดวงเก่าเป็นผู้หลงเมื่อจิตใจดวงนี้เป็นผู้หลงผู้เมาไม่เข้าเรื่องเราก็มาแก้ไขภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้หันเหไปกับอารมณ์ใดๆ เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดดับอยู่ในตัวในใจในตัดในบุคคลนี่ว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ก็อย่าได้วันไว้สันสะเตือนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำ น, นาจอีเลส ใจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ก็อยาได้วันไวสันสะเตือนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำ น, นาจกิเลสจงเกณฑ์พยายามยกใจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ปล่อยให้อำ น, นาจกิเลสลาคะตันหามาแวะมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในใจกิเลสโทสะไม่ให้มันมาโกรธมาแค้นมาอิจฉาพยาบาทอยู่ในตัวในใจ เพียรพยายามอยู่ในใจกลงนี้ให้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิยาบทเมื่อจิตใจของแต่ละบุคคลมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติไม่เอาอารมณ์โลกมาไว้ในใจเอาอารมณ์ธรรมะละกิเลสความโกรธในใจของตัวเองให้หมดสิน้น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 บดบาทออกมาให้เจ้าตัวเรารู้ว่ากิเลสอะไรมันยังเหลืออยู่ก็ให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนั้นให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ต้องมาเลี่ยงมันอีกกิเลสเหล่านี้จะโยในตัวในใจของคนเราได้ก็เพราะว่าคนเรานั่นแหละมันเลี่ยงมันไว้ไม่ละไม่วางไม่ปล่อยไม่ตัดให้มันขาด กลัวกิเลสคือว่าใจมันกลัวกิเลสไม่ยอมตัดใหามันเด็ดขาดไม่ยอมภาวนาให้มันข้ามพ้นไปมันไปคาอยู่แค่กิเลส น, นั่นแหละมันเอากิเลสเป็นใหญ่เป็นโตโมโหโทโสไม่ยอมเลิกละนี่คือว่ามันเขารบกิเลสการาบไหวกิเลสบูชากิเลส กิเลสมันก็ได้ใจใหญ่มันพามาเกิดแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แกทุกๆุกคนเมแต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อเรื่องร้อนใจทางนั่นเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุอันสำคัญโยในใจของคนเราจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนากาหนดพิจารณาให้เห็นแจ้ง ในหลักคณิตจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนของสัตว์ของวัตถุธาทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปโดแต่ตัวเราคนเราที่เกิดมาเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตานั่นแหละ มันก็จะเริ่อนวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับลาดับเพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันหมดขีดแห่งความจเจริญที่นี่มันก็เข้าถึงความเสื่อมความเสื่อมไปความสิ้นไปความหมดไปของรูปนามกายใจของทุกๆุกคนสแสดงความแก่ความชราออกมา มีตาดีก็ได้แต่ตาก็เสียดูอะไรไม่ได้มีหูดีฟังอะไรได้เมื่อแกช ะ, ะลาฟังอะไรไม่ไดมีปากมีเขี้ยวมีฟันฟันก็หลดออกไปเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ฟันของเราเป็นฟันของจิเหล่เป็นฟันของโลก เมื่อพู้มาภาวานาทำความเพียรปฏิบัติบูบชาภาวานาไม่ถ่อถอยมาเพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจในธรรมปฏิบั ต, ติเอามาปฏิบัติบูชาภาวานาเลิกให้ได้ละให้ได้อย่าไปตามกิเลสตามกิเลสลาคะจะมาตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้นถ้าเรายังหลงกับกิเลสโทสะ ก็จะมาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิน้นจีแลตโมหะเป็นของละเอียดผู้ใดยังมาลุ่มหลงโมหะอยู่ในใจนั่นนั่นก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิน้นจีแลตันหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในใจของมนุษย์ปุตุชนคนเหล่านี้ เราทุกคนจะต้องทำความเพียรเพื่อล ะ, ละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อสลัดออกไม่ให้มันมาติดข้องปัวพันในกายในวาจาคือคำพูดในใจคือความคิดไม่เอามาคิดใหามันหลงต่อไปไม่มีที่จบที่สิน้นทำความดีทำความเพียรเพื่อละกิเลสในหัวใจของตนให้ได้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 จงตั้งใจปฏิบัติบูชาภาว น, นาในใจของเราให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าวันไหนคืนไห น, นเวลาใดก็ตามมันเป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาว น, นาและกิเลสได้ทางนั้นเพราะว่ากิเลสในใจของบุคคลเหล่านี้ไม่มีใครที่จะมาเลิกมาละมาถอนออกให้ไนดะ้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 จิตใจของท่านก็ไม่ทอแท้ออนแอรประการใดเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนกิเลสในใจของท่านไม่มีไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความโลภความอยากได้อยู่ในใจไม่มีความหลงกายหลงจิตหลงโูกหลงหนาไม่หลงไปโยกับสิ่งใดใดทั้งหมด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 เพราะว่าจิตใจคนเรานั้นขึ้นอยู่กับการภาวนาเมื่อตั้งจิตเจตนาภาวนาให้มั่นคงหนักแน่ในธรรมปฏิบัติแล้วไม่ว่าอยู่ในเพศใดวัยใดสาวกในขั้งพุทธกาท่านไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้บวชอย่างเดียวจึงละกิเลสความกอดโลบหลงได้ไม่ใช่อย่างนะ กิเลสความกรอดความโลภความหลงนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดมีเดี๋ยวนี้เวลานี้มันมีมาตั้งแต่นเนกาติเกิดมาพบใดชาติใดกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่วควบคุมกายวาจาจิตของบุคคลเราอยู่ตลอดกาลตัวเองไม่สามารถที่จะลบขึ้น ทำความเพียนเพื่อละเพื่อทำลายเมื่อมาพบในชาตินี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้จึงเป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตื่นขึ้นมาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจนี้มีความมั่นคงหนักแน่ไม่ต้องสะทกสะท้านย่าดัวต่อกิเลสกามวัตถุกรามในโลกนี้ จงพยายามทำใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดราศจากมนทินโทษเรียกว่าใจภาวนาใจทำความเพียรใจลักกิเลสความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีในใจความหลงไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจ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 แต่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติไม่ตังใจประกอบกบระทำจิตใจมันก็เฉย ช, ชาไม่ก้าวหน้าไปได้เดี๋ยวนี่เวลานี้สังเกตเข้าไปว่าพุทโธใครเป็นผู้ได้ยิงจิตใจนี่ไม่ใช่หรือเป็นผู้นึกว่าพุทโธธรมโมสังโฆใครเป็นคนนึกก็จิตใจนี่แหละเมื่อจิตใจมีอยู่ที่นี่เราจะไปหาที่ไหนเล่า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 นั่นแหละสาวโกโอสาวกในทางพุทธศาสนานี้ท่านทําความเพียรพยายามเพื่อละกิเลสเราท่านทั้งหลายก็ให้เพียรพยายามเพื่อละกิเลสในกายวาจาจิตนี่แหละหมดไปสึ้นไปจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถามในธรรมปฏิบัติกะนั่นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมะปฏิบัติ ได้ทุกทุกคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลนันียาทาวาลิวหาปูลาปาลิปูเณทิตากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิ อิจิตังปฏิตังตุมหังจิตเตเมวัสมิตตุสัพเทปุเรนตุสังกภาจันโทปันน า, าโสยัถามิโชติระโตยัถาสพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุทิติขายุโกภะ อะพิวาธนาสีริสนิจยังวุทธาปจจานิโนจตารธรรมาวัตันติอายุวันโอสุขังพลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกพลวัตโกวันณวัตโกสุขวัตโกโหตุกะทธา ทุกขโลขพยาเวลาโซกาส ต, ตุจปตะวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสุจเติตสาจียสิธิคนังลาพังโสติภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโพคังมุธีจะยสวาสตวัตจาเอายุจชีวจิติภวันตุเต ภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสภุทพานุพาเวีนะสัทธาโสตถีพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสพะธรรมานุภาเวีนะสัทธาโสตถีพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสภะสังขานุพาเวีนะ สัพโททีปวันตุเป็การนั่งสมาธิภาวนา <c oughs> และพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โคเรว่านั่งแทนบันหลังบันหลังเกบันหลัง บันลังก็คือขัดสมาธิเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิ เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็ตั้งสัจักอิีฐานใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนารั้งนี้จะไม่ลบไปมาในที่ดใด ถ้าไม่ได้ตัดสกูก็ยอมตายในที่นี้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือแทงไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือพระองค์ไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆนั่นและว่าขัดสมาธิขัดบัณลังตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหว เราทุกคนทุกโลกทุกนามก็ให้ตั้งใจเหมือนพระองค์นั่งใต้ลมไมโพธแม้ว่าจะมีความเย็นความหนาวเป็นธรรมดาของธาตุโลกในโลกมนุษย์ก็มีเป็นธรรมดาอย่างนี้เวลาร้อน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 ดูพระพุทธเจา้าพระองค์ท่านไม่หวั่นไหวท่านว่ามันไม่เลยตายไปได้ทุกทั้งหลายนั้นมันยังไม่ถึงความตายเมื่อมาถึงความตายความตายมาถึงเข้าอะไรอะไรก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องแตกดับทำลายเป็นธรรมดา คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันมาไปชมกันเข้าเป็นตัวตนของเราแล้วหมดเหตุหมดปจัจจัยเมื่อใดเวลาใดก็แต่ลับเผยเน่าฟูกเฮาทับผมแผ่นดินไม่มีอะไรที่จะหนีแผ่นดินไปให้พ้นไม่ได้จะตายในน้ำก็ตอกไปกองอยู่ในดิน ตายบนบกก็กองอยู่ในบนบกบนดินแะมีคนอื่นเผาผีกีกระดูกก็ตามไม่มีก็ตามหมดลมหายใจก็กองอยู่บนแผ่นดินฉะนั้นความหนาวความร้อนเมื่อมากระทบจิตใจของผูกภาวนาก็ต้องให้รู้เท่าทันรู้จักปล่อยวางเลิกละ อย่ามาเย็ดว่าหนาวเป็นของเราเราเป็นหนาวเราเป็นผู้หนาวธาตุดินมันหนาวข้างมันเถิดธาตุน้ามันหนาวข้างมันเถิดธาตุไฟมันร้อน ม, มันหนาวข้างมันเถิดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนาก็ตั้งใจบริกรรมนิมนิดกำหนดบริกรรม พุทโธก็เอาให้มันแนงแน่อยู่ในองค์พุทโธไม่ทอแท่ออนแอกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายกลัวมันพ้นไปได้ไหมโดวความตายของสัตทั้งหลายตัวเราหมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังพูดกาป่าใส ย, ยืนเดินนั่งนอนไปได้โย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 เลื่อมใสศรัทธาในคุณพระธรรมเจ้าเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายงนายขั้งพุทธกาลทั้งมนุสเลเทวดายินสมท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นละอีเลได้เป็นสัตว์ ส, ส, ส่วน คือความตั้งใจมั่นของท่านนั่นเองเราพวกมาสุดท้ายท้ายหลังยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำความภาคเกียรพิยายงเอาจิตเอาใจของเราให้มีความตั้งมั่นอย่าได้วันไว้ด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งหมด เพราะว่าอะไรอะไรก็ตามที่มันกระทบเก็เเกิดขึ้นมามันยังไม่ถึงความตายอยากติดตัวความตายมันยังขวางหน้าอยู่ความตายนั่นแหละเป็นบัตรบทสุดท้ายตาพุทเธรเจ้าแต่ว่าความตายกินทุกข์ไม่ใช่ตายแล้วกินทุกข์เวลากรจะตายความเจ็บปวดทุกขเวทนา จนเหลือโรคร่างกายมันจะทักทานได้ไม่มีอะไรที่จะฟองอยู่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความแตกความตายอย่างนั้นเองเจตพระพฤติเจ้พาพระอริยเจา้าทางหลายท่านไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนหนาวมาร้อนม า, า ก, การกฎการท่านกบภาวนาเพียนเพ่งดูจนลูกแจ้งด้วยปัญญาณชอบ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 เมื่อเลิกจางนั่งนี้ก็จะต้องเคลื่อนไหวไปมายืนบ้างเดินไปมาบ้งนั่งลงอีกบ้งนอนบ้งมันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนี้แสดงว่าอ้อมไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บไข้พลที่สุดตัว่ายมันก็เปลียนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอน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 เมื่อเที่ยงวันเราก็ต่ไหนก็เลื่อนไปทางทิศตะวันตกเรียกว่าตกดินไปหรือว่าโลกหมุนก็ว่านันก็อันเดียวมันก็หมุนอยู่ตามหน้าที่ของแต่และส่วนก็แสดงว่ามันในเที่ยงมันไม่คงที่ไม่เป็นอยู่ดังคนเราคาดหมายเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนันในเที่ยงเป็นทุกเป็นอัลตาอยู่อย่างนี้แหละ เจตภาวนาญาได้มีความทอแทอ่อนแอในหัวใจหนาวมาฆ่ากภาวนาร้อนมาฆ่ากภาวนาฝนตกมาฆ่ากภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องไปหวั่นไหวกับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะสิงเหล่านี้มันไม่เทีย่ยงพระพุติการศูนย์ศัตรูมันไม่เทีย่ยง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 แต่เดียวๆเวท่านั้นแหละเราก็จะเห็นว่าความร้อนเมื่อความร้อนเข้ามากับความหนาวมันอย่างเดียวคนละแดดหนาวต้องห่มผ้าถ้าว่าร้อนแล้วผ้าก็ไม่อยากห่มเอาผ้ามาใกล้ตัวก็ร้อนผ้าน้าหนาอย่างเรานุ่งห่มในสมัยฤดูหนาวถ้าถึงฤดูร้อนมันมาใกล้ไม่ได้มันร้อนไปหมด โวธรรมดาก็เหนื่อยคือมันเป็นเป็นเรื่องของความทุกข์เมื่อไม่รู้เท่าฐานจิตมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> เข้าใจว่าหนาวมันก็จะหนาวตลอดไปจนถึงวันตายมันไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าร้อนมันก็จะร้อนถึงวันตายก็เป็นไปไม่ได้เวลาฝนตก พอเข้าใจว่ามันจะตกไปจนถึงวันเราตายไม่ได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาถาอยู่อย่างนี้แหละเมื่อสิ่งใดมันมาสัมผัสถูกต้องในเวลาปัจจุบันเจตใจมันก็ได้สัมผัสอยู่กับสิ่งนั้นถ้าไม่ภาวานาละกิเลสไม่ดับสมมุติในจิตนั้นสมมุติว่าร้อนสมมุติว่าหนาว สมมุติอะไรก็ตามมันมนุษย์สมมุติขึ้นมาถ้าไม่หลงสมมุติไม่ไปยึดสมมุตินะจิตมันก็วางเฉยภาวนาพุโทโธอยู่ภาวนามรณ ะ, ะกรรมฐานอยู่เมื่อจิตวางเฉยได้เมื่อใดเวลาใดกายก็สงบวาจาก็สงบจิตก็สงบมันวางเฉย เพื่อสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป